เหตุแห่งการไม่ได้บรรลุธรรมในปัจจุบันชาติการไม่ได้บรรลุมรรคผลในปัจจุบันชาติมีเหตุสองอย่างคือ 1. การคบมิตรชั่ว 2. การไม่ได้ฟังธรรมและเจริญภาวนาพระเจ้าอาชาติสตรู่งคบมิตรชั่วคือพระเทวทัตได้กระทำปิตุฆาตเพราะองค์จึงไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะกรรมที่ฆ่าบิดา เป็นกรรมมันต ร, รายะและแม้วิปัสนาญาณมีอุทพยญาณเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลเช่นนั้นนอกจากนี้ผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยพอจะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่อาจบรรลุได้เช่นกันในมัชฌิมานิกายกัณฑรสูตรมีเรื่องของนายเปสะ ซึ่งไม่ได้ฟังธรรมจนจบแต่ลุกกลับไปเสียก่อนจึงไม่ได้บรรลุธรรมได้การฟังธรรมและกำหนดรู้สภาวะธรรมในขณะนั้นแม้พระยุคปัจจุบันที่คนมิได้ควรบรรลุมักผลได้หากแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยหรือมีเวลาปฏิบัติน้อย ก็สืบเนื่องมาจากมรรคผลด้วยการไม่ปฏิบัติธรรมนั่นเองสมัยหนึ่งพระสารีบุตรแสดงสมถภาวนาแก่พรามทนานชาผู้กำลังจะสิ้นใจโดยมิได้แสดงวิปัสนาพรามเจริญสมถภาวนาและเสียชีวิตไปเกิดเป็นพรมถ้าพระสารีบุตรแสดงวิปัสนาภาวนาเขาก็อาจจะบรรลุมรรคผลในชาตินั้นได้ การไม่บรรลุธรรมนั้นมีสาเหตุมาจากการไม่ได้ฟังธรรมด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงตำหนิพระสารีบุตรแล้วรับสั่งให้ตามไปแสดงธรรมในพรหมโลกพระเถระตามไปแสดงอริยสัจสี่เขาจึงได้บรรลุธรรมแม้บุคคลจำนวนมากในปัจจุบันก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะ ไม่ได้รับฟังวิปัสนาภาวนาอย่างถูกต้องเหมือนกับพรามนั้นโดยประการดังกล่าวมาความเป็นปัจฉิมภวิกะอุคติตันโยหรือวิปปิตันโยจึงไม่ใช่สาเหตุสำคัญความมีศีลบกพร่องห้ามการบรรลุมรรคผลสำหรับภิกษุแต่ไม่ห้ามสำหรับครหัตอย่างไรก็ตาม แม้ขรหัสที่มีศีลไม่หมดจดก็ไม่อาจเกิดวิปัสนาญาณและมัคคุยานได้เลยเพราะศีลวิสุท ธ, ธิเป็นพื้นฐานของวิสุท ธ, ธิอื่นๆความเป็นศีลวิสุท ธ, ธิของสันตติอมาตเป็นต้นเกิดจากความดำริว่าจะไม่ทำผิดศีลอย่างนั้นอีกในขณะก่อนจะฟังธรรมหรือฟังธรรมอยู่ อีกนายหนึ่งเกิดจากภาวนาจิตที่กำหนดรู้เท่าทันสภาวธรรมปัจจุบันตามหลักของวิปัสสนาดัางสาทกในคำพีปฏิสัมพิทามักว่าการละอวิชาด้วยยานที่เป็นนามรูปปริเฉทยานและปัจจยะปริคหายานและอนิจจสัญญาด้วยยานที่ยังเห็นความไม่เที่ยง ชื่อว่าศีลการงดเว้นชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลการสำรวมชื่อว่าศีลการไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลศีลเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตเพื่อความปราโมรความปิติความสงบความสมนัดความเบื่อหน่ายใลายกำหนัดโดยแท้ ความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้แจ้งและนิพพานสภาพที่สํารวมนี้ในวิปัสนาจิตนั้นชื่อว่าอธิสีลสิกขาสภาวะที่ไม่ซัดสายในวิปัสนาจิตนั้นชื่อว่าอธิจิตตสิกขาสภาพที่อย่างเห็นในวิปัสนาจิตนั้นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาการละกิเลสเป็นศีล นักปฏิบัติย่อมละอวิชาที่สำคัญผิดว่าเป็นบุคคลเป็นเราของเราด้วยวิปัสนาญาณที่รู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามเท่านั้นไม่มีสมมุติบัญญัติใดๆและพึงละอวิชาที่สำคัญผิดว่าลาวสัตว์เกิดขึ้นเองโดยไม่มีกรรมเป็นปัจจัยหรือเกิดจากการเนรมิตโดยพระพรหมพระเป็นเจ้า ด้วยวิปัสสนาญาณที่รู้เห็นว่ามีเพียงเหตุและผลเกิดขึ้นสืบเนื่องกันนอกจากนี้ยังต้องละกกิเลสที่ยึดมั่นว่ามีตัวตนที่เที่ยงในรูปนามที่กำหนดรู้อยู่ด้วยวิปัสสนาญาณที่รู้เห็นว่าไม่เที่ยงดังนี้เป็นต้นการละกกิเลสหมายถึงการดับกิเลสที่เกิดขึ้นด้วยการรู้เห็นอย่างถูกต้อง เหมือนความมืดอันตรธานไปเมื่อพบกับแสงสว่างและหมายถึงการที่ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นอีกในโอกาสต่อไปเมื่อกิเลสไม่มีโอกาสเกิดขึ้นดังนี้กุศลจิตที่กอบด้วยวิปัสนาญาญย่อมจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของกุศลจิตในภายหลัง มีบอ่อเกิดจากการละกิเลสด้วยวิปัสนาทั้งกุศลจิตที่เกิดจากการละกิเลสก็ตั้งมั่นอยู่ได้นานโดยไม่แปรไปเป็นอกุศลดังนั้นการละกิเลสจึงเป็นที่ตั้งของกุศลจิตต่อๆมาและทำให้กุศลจิตดังกล่าวตั้งมั่นพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าปหานังสีลังการละชื่อว่าศีล ที่ตั้งของกุศลธรรมและทำให้กุศลธรรมตั้งมัน่นแม้คำว่าเวรมนีศีลังการงดเว้นชื่อว่าศีลก็มีในเดียวกันคำพีวิสุทธิมาร์กแสดงความหมายของศีลสองประการคือ 1. สมาทานตั้งไว้ดีหมายถึงตั้งกายกรรมเป็นต้นไว้ดีไม่บกพร่อง 2. อุปทารณะเข้าไปทรงไว้หมายถึงเป็นที่อาศัยของกุศลธรรมที่สำคัญสูงขึ้นไปโดยเป็นบาตรให้เกิดสมาธิและปัญญามีข้อความในคมพีวิสุทธิมรักษ์นั้นว่าถามว่าชื่อว่าศีลเพราะมีสภาพอะไรตอบว่าชื่อว่าศีลเพราะมีสภาพตั้งไวด้ดีและเข้าไปทรงไว ถาว่าสภาพตั้งไว้ดีและเข้าไปทรงไว้คืออะไรตอบว่าสภาพตั้งไว้ดีและเข้าไปทรงไว้คือการตั้งกายกรรมเป็นต้นไว้ดีด้วยความเป็นผู้มีศีลหมายถึงการไม่ให้กายกรรมเป็นต้นกระจัดกระจายหรือการเข้าไปทรงไว้ไมหมายความว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมโดยความเป็นที่รองรับ โดยแท้จริงแล้วนักวยากรทั้งหลายอนุญาตอัถะสองอย่างนี้เท่านั้นอัถาข้างต้นนี้กล่าวตามรากศัพท์ของศีลธาตุปรากฏในสัทธณีติปกรว่าสมาทานคือตั้งไว้ดีและอุปธานะเข้าไปทรงไว้อันหนึ่ง เนติปกรณ์กล่าวถึงศีลห้าประเภทคือหนึปกติศีลศีลโดยปกติคือศีลที่ประพฤติเป็นประจำโดยไม่ได้สมท า, าน 2. สมท า, านศีลศีลโดยการสมท า, านคือศีลที่รับเอาจากพระพิสุหรือสมท า, านหน้าพระพุทธรูป 3. จิตตปสาทะ ศีนเกิดจากความเลื่อมสส 4. สมถะศีลเกิดจากสมถะ 5. วิปัสนาศีลเกิดจากวิปัสนาการงดเว้นชื่อว่าศีน ความจริงแล้ววิรติเจตสิกไม่เกิดขึ้นพร้อมกันในวิปั ส, สนาจิตแต่วิปั ส, สนาจิตก็เป็นปฏิปักต่อทุเจริตและทุราชีพทั้งหมดจึงหลีเกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้นโดยตัดทางคับปหานะเหมือนในขณะเกิดมรรคจิตซึ่งรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แม้จะไม่มีการงดเว้นโดยรับเอาทุจริตและทุราชีพ เป็นอารมณ์ก็จัดว่าหลีเกเลี่ยงในขณะนั้นเพราะละบาปนั้นได้โดยสมุดเฉทปหานะในขณะที่นักปฏิบัติเกิดวิปัสนาญาณมีนามรูปปริเฉฏทยานเป็นต้นกิเลสที่ยึดมั่นว่าเป็นบุคคลเป็นเราของเราและยึดมั่นว่าลาวสัตว์เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุปัจใจ หรือยึดมั่นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาย่อมจะไม่เกิดขึ้นในรูปนามที่กําลังกําหนดรู้อยู่ข้อนี้เป็นการละอา ร, รมณานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ที่ขาดสติกําหนดรู้เมื่อเป็นดังนี้ความดำริว่าเป็นบุคคลเป็นเราของเราที่เป็นปริยุติฐานนัเลเ ก็จะไม่เกิดขึ้นและเมื่อไม่มีความดำริดังกล่าวการล่วงปาณาติบาตกรรมเป็นต้นด้วยความยึดติดในตัวตนที่เป็นวีติกระมะกิเลตย่อมไม่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าทุกขณะที่กำหนดรู้รูปนามเป็นการงดเว้นจากกิเลสตั้งแต่อนุสัยกิเลสจนถึงวีติกระมะกิเลสท่านจึงกล่าวว่าเวรมณิ สีลังคือการงดเว้นชื่อว่าศีลเจตนาชื่อว่าศีลเจตนาที่เป็นความตั้งใจในการกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมย่อมเกิดขึ้นในทุกๆขณะที่จเจริญภาวนาเจตนาที่เกิดแก่คนทั่วไปผู้ไม่ได้สำรวมอินทรีย์มักจะสนับสนุนให้ทำอกุศล เมื่อเกิดในนักปฏิบัติที่มีศรัทธาฉันทะและวิริยะแก่กล้าย่อมสนับสนุนให้ตั้งใจเจริญภาวนาหากว่าศรัทธาฉันทะและวิริยะอ่อนกำลังเจตนาก็ปล่อยอ่อนกำลังไปด้วยดังนั้นเจตนาึงทำให้กุศลธรรมตั้งมั่นเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป การสำรวมชื่อว่าศีลสังวรหอย่างที่กล่าวไว้ในอินทรีย์สังวรชื่อว่าสังวรศีลผู้ที่เจริญวิปัสสนาย่อมปิดกัน้นไม่ให้เกิดอกุศลด้วยสังวรหที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในวิปัสสนาจิตความสำรวมนี้ในองค์ธรรมได้แก่สติปัญญาขันติและวิริยะการไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีล จิตที่ประกอบด้วยสติที่กําหนดรู้ตามความเป็นจริงย่อมจะไม่ระคนด้วยโมหะเป็นต้นเพราะไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเกิดขึ้นเช่นเจตนาเป็นการทำปานาติบาตชื่อว่าล่วงละเมิดกรรมนั้นแต่จิตที่มีเจตนางดเว้นจากปานาติบาตย่อมชื่อว่าไม่ล่วงละเมิดในกรณีเดียวกันจิตที่ขาดสติรู้เท่าทันสภาวธรรม ชื่อว่าล่วงละเมิดกิเลสเพราะเปิดโอกาสให้เกิดกิเลสเป็นอนุสัยปริยุตทานหรือวีติกมะแต่จิตที่ประกอบด้วยสติชื่อว่าไม่ล่วงละเมิดกิเลสเพราะไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเกิดขึ้นดังนั้นการไม่ล่วงละเมิดซึ่งโดยองคธรรมได้แก่วิปัสนาจิตจึงชื่อว่าศีล ในบรรดาศีลทั้งห้าอย่างนี้เจตนาและการสำรวมมีองค์ธรรมโดยตรงการละกิเลสเป็นการกำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วและไม่เปิดโอกาสให้กิเลสใหม่เกิดขึ้นส่วนการงดเว้นและการไม่ล่วงละเมิดโดยองค์ธรรมคือวิปัสนาจิตดังสาทกในคัมภี์วิสุทธิมากว่าเวลามณิวเสนะ อวีติกะมะวาวเสนะเจตาโสปวัติสัพพวังสันทายะวุตตาข้อนี้กล่าวไว้โดยหมายถึงความดำเนินไปของจิตโดยเนื่องด้วยการงดเว้นและความไม่ล่วงละเมิดอย่างไรก็ตามวิปัสนาจิตดังกล่าวเป็นจิตอื่นที่ไม่ใช่เจตนาและสังวร ซึ่งเป็นศีลดังที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นนอกจากนี้แม้จะงดเว้นจากการไม่ล่วงละเมิดจะเสมอกันโดยองธรรมแต่มีลักษณะต่างกันคือการงดเว้นเป็นการหลีกเลี่ยงจากกิเลสที่เป็นอนุสัยปริยุติฐานและวีติกามะส่วนการไม่ล่วงละเมิดเป็นการไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเกิดขึ้น ในกระแสจิตของตนในข้อความจากคำพีปฏิสัมพิธามรักนั้นคำว่าโยตัต t ะสังวรัตโธสภาพที่รวมนี้ในวิปัสนาจิตนั่นชื่อว่าอธิศินสิกขาเป็นต้นหมายความว่าการละการงดเว้นเจตนาและการไม่ล่วงละเมิดทั้งสี่อย่างนี้เป็นศีลที่เรียกว่า สังวรศีลสติที่ยึดเอารูปนามเป็นอารมณ์ไว้อย่างแนบแน่นชื่อว่าสติสังวรปัญญาที่ยังเห็นรูปนามอย่างแท้จริงชื่อว่ายานาสังวร อ, อโทสะเจตสิกที่ไม่ประทุษร้ายอารมณ์ที่มาปรากฏชื่อว่าคันติสังวรความเพียรในการกำหนดชื่อว่า วิริยะสังวรสังวรเหล่านี้ย่อมปรากฏอย่างบริบูรณ์ในวิปัสนาจิตที่กำหนดรู้เท่าทันสภาวธรรมและชื่อว่าอธิศีลสิกขาอหนึ่งการกล่าวถึงปัญญาสติและวิริยะว่าเป็นศีลในเรื่องนี้เป็นการกล่าวโดยปริยาย ความจริงปัญญานับเข้าในปัญญาขันสติและวิริยะนับเข้าในสมาธิขันโดยตรงนอกจากนี้ปาติโมขสังวรศีลเป็นต้นย่อมบริบูรณ์ในวิปัสนาเท่านั้นและปาติโมขสังวรศีลพร้อมทั้งอาชีวปาลิสุทธิศีลอย่อมบริบูรณ์ด้วยศีลสีอย่างคือการละการงดเว้นเจตนา และการไม่ล่วงละเมิดเพราะกิเลสทั้งหมดที่เป็นอนุสัยปริยุตฐานะและวีติกรมะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยการละเป็นต้นจึงไม่อาจล่วงละเมิดทางกายหรือวาจาได้สังวรเหล่านี้คือสติปัญญาขันติและวิริยะ เป็นอินทรีย์สังวรศีลโดยตรงปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสีย่อมทำให้ปัจจัยะสันนิสิตศีลบริบูรณ์เนื่องจากการพิจารณาตามพระพุทธธรรมรัตนั้นมีประโยชน์เพื่อปิดกั้นไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นการพิจารณาดังกล่าวสามารถละกิเลสระดับปริยุติฐาน และวิติกมะไม่อาจละอนุสัยกิเลสได้แต่วิปัสนาญาณสามารถละอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องด้วยปัจจัยเหล่านั้นด้วยเหตุนี้ยนานสังวรจึงทำให้ปัจจยะสันนิสิตาสี์หมดจดบริบูรณ์ได้การเจริญภาวนาสำคัญกว่า การพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยบางคนสำคัญว่าการพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยสำคัญกว่าภาวนาจึงไม่ยอมรับคำอธิบายข้างต้นความจริงการเจริญสมถภาวนาหรือวิปัสนาภาวนามีคุณค่าประเสริฐกว่าการพิจารณาประโยชน์ของปัจจัยพระพุทธเจ้าตรัสถึงการเจริญภาวนาเพียงลัดนิ้วมือเดียว ว่าประเสริฐกว่าการพิจารณาเช่นนั้นแม้ภิกษุจเจริญภาวนาแต่ไม่ได้พิจารณาก็ไม่มีโทษดังพระพุทธพจน์ในอังคุตรนิกายว่าดูกราภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเสพคุนใส่ใจเจริญเมตตาจิตแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้ชื่อว่ากรอบด้วยฌานอยู่เป็นผู้เชี่ยวฟังปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาย่อมบริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านโดยไม่ไร้ค่าจะป่วยกล่าวไปยายในภิกษุผู้เจริญเมตตาจิตนั้นให้มากดูกราภิกษุทั้งหลาย ถ้าพิสูตตามรู้ในกองรูปว่าเป็นกองรูปอยู่ในเวทนาว่าเป็นเวทนาอยู่ตามรู้ในจิตว่าเป็นจิตอยู่ตามรู้ในสภาวะธรรมว่าเป็นสภาวัธรรมอยู่แม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวมีความเพียรมีปัญญาอย่างรู้มีสติข่มอภิชาและโทมนัสในโลกได้ ภิกษุนี้ชื่อว่ากรอบด้วยฌานอยู่เป็นผู้เชี่ยวฟังปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาย่อมบริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านโดยไม่ไร้ค่าจะป่วยก่าวไปยายในภิกษุผู้เจริญสติปัฏฐานสีนั้นให้มากในพระสูตรแรกที่กล่าวถึงการเจริญเมตตาภาวนาพระบรมศา ส, าสดาทรงหมายถึงเมตตาจิตของคนทั่วไป ที่ยังไม่บรรลุความเป็นอุปจารสมาธิหรืออปนาสมาธิดังคำอธิบายในคำพีอัตถกถาว่าเมตยะสัพพปุพพาโคนามะเนวะอัปนาณุปจารโรสัตนานังหิตะพรณะมัตตเมวะขึ้นชื่อว่าส่วนเบื้องแรกทั้งหมดของเมตตา เป็นการแผ่ความปรารถนาดีแกเหล่าสัตว์เท่านั้นยังไม่ใช่อุปจาระหรืออปนาพระสูตรดังกล่าวแสดงว่าภิกษุใดเจริญเมตตาภาวนาสมถภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวิปัสนามีกายานุปัสนาเป็นต้นเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดา นับว่าเป็นพระเสขะโดยปรยายการบริโภคก้อนข้าวของภิกษุนั้นมีประโยชน์แก่ชาวบ้านเป็นการบริโภคอย่างคนไม่มีหนี้อนันญยะปริโภคะบริโภคโดยความเป็นทายาททายัตชะปริโภคะและบริโภคโดยความเป็นเจ้าของสามีปริโภคะ ส่วนภิกษุผู้หมัน่นเจริญภาวนาย่อมจะมีลานิสงมากแก่ตนและชาวบ้านโดยแท้ดังคำภีอธิกถากล่าวว่าคำว่าพุนชติหมายความว่าการบริโภคมีสี่อย่างคือการบริโภคอย่างขโมยการบริโภคโดยติดหนี้การบริโภคโดยความเป็นทาญาต และการบริโภคโดยความเป็นเจ้าของในบรรดาการบริโภคเหล่านั้นการบริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านย่อมไม่ไร้ประโยชน์แก่ภิกษุนี้ด้วยเหตุสองประการภิกษุผู้เจริญเมตตาจิตแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวย่อมบริโภคเหมือนเป็นเจ้าของไม่มีหนี้และเป็นทายาทดังนั้น การบริโภคของเธอจึงไม่เปล่าประโยชน์และทานที่ถวายแด่ภิกษุผู้เจริญเมตตาจิตก็มีประโยชน์มากมีพลานิสงมากมีความรุ่งเรืองกว้างขวางมากดังนั้นการบริโภคของเธอจึงไม่เปล่าประโยชน์จะป่วยกล่าวไปยัยในภิกษุผู้เสพคุนเจริญเมตตาอยู่เนืองนิดเล่าเพราะภิกษุเหล่านี้ ย่อมบริโภคโดยเป็นเจ้าของก้อนข้าวแห่งชาวบ้านเป็นผู้ไม่มีหนี้และเป็นทายาทภิกษุผู้เจริญเมตตาเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวในขณะบริโภคชื่อว่าบริโภคโดยไม่สูญเปล่าเพราะทำประโยชน์แก่ตนและผู้ถวายทานการทำประโยชน์แก่ตนคือการเจริญกุศลที่เนื่องด้วยเมตตาภาวนา และทาเป็นการบริโภคอย่างเป็นเจ้าของในสิ่งที่ได้รับถวายการบริโภคอย่างไม่มีหนี้และการบริโภคโดยความเป็นทายาทส่วนประโยชน์แก่ผู้ถวายคือภิกษุผู้เจริญเมตตาจัดเป็นทักคินา ย, ยบุคคลที่8ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิพล์ แม้ว่าท่านจะกล่าวถึงเมตตาภาวนาไว้อย่างเดียวในคำพีอัตถกถาแต่ข้อนี้ยังครอบคลุมถึงสมถภาวนาอื่นฌานสมาบัติและวิปัสนาภาวนามีกายานุปัสนาเป็นต้นอีกด้วยการที่ท่านไม่ได้กล่าวถึงภาวนาอื่นก็เพราะอยู่ในบริบทของการกล่าวถึงเมตตาในเมตตาสูตรนั่นเอง ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ปัจจยสันนิสิตาสี์ย่อมสำเร็จได้ด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาการตั้งอยู่ในศีแล้วเจริญสมาธิและปัญญาคารือหัดผู้รักษาศีเป็นเวลานานหรือไม่ได้รักษาศีมาก่อนเมื่อมาเจริญวิปัสนาภาวนาก็จัดเป็นผู้มีศีทั้ง4อย่างหมดจดบริบูรณ์ด้วยวิปัสนาจิตอันหนึ่ง การเพิ่มพูนสมาธิและปัญญาของนักปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับศีลส่วนแรกโดยความเป็นอุปนิสยปป จ, จัยและศีลที่เกิดร่วมกันโดยความเป็นนิสยะป จ, จัยศีลที่รักษามานานหรือศีลที่สมาทานก่อนจะปฏิบัติธรรมเรียกว่าอุปนิสยปัป จ, จัย ปัจจัยเป็นที่อาศัยซึ่งมีกำลังเพราะเป็นที่อาศัยของสมาธิและปัญญาในวิปัสนาญาณและมัคคญาณส่วนศีลที่เกิดขึ้นในวิปัสนาจิตและมัคคจิตเป็นที่อาศัยของสมาธิและปัญญาในจิตเหล่านั้นเรียกว่าสหชาตานิสยปัจจัยปัจจัยเป็นที่อาศัยซึ่งเกิดร่วมกัน นักปฏิบัติย่อมดำรงอยู่ในศีลที่เป็นสหาชาตะนิสยปปจจัยในจิตตุบาทที่ระลึกรู้สภาวธรรมเป็นครั้งแรกและเจริญสมาธิและปัญญาแต่ในจิตตุบาทที่สองเป็นต้นไปย่อมดำรงอยู่ในศีลที่เป็นอุปนิสยปปจจัยและนิสยปัปจัย และเจริญสมาธิและปัญญาในวิปัสนาญาณและมัคคยญานังข้อความในคำพีมหาดีกาว่าในคำว่าปฏิฐายะการตั้งอยู่มีสองอย่างโดยจำแนกตามนิสยะปจจัยและอุปนิสยาปจัยในการตั้งอยู่ทั้งสองนั้นเมื่อไม่กล่าวแยก ก็ถือว่าการตั้งอยู่โดยอุปนิสยปัจจัยเป็นโลกิยะการตั้งอยู่อื่นเป็นโลกุตระแต่เมื่อแยกพิจารณาแม้การตั้งอยู่โดยอุปนิสยปัจจัยด้วยความเป็นมรคสีลและผลสีลขั้นต่ำย่อมเกิดในโลกุตระสีนทั้งหลายเหมือนการตั้งอยู่โดยนิสยปัจจัย และอุปนิสยปัจจัยด้วยอํานาจของศีลสมาธิและปัญญาที่เกิดรวมกันและด้วยอํานาจของศีลที่เกิดก่อนและสมาธิพร้อมทั้งปัญญาที่เกิดภายหลังในโลกิยะจิตอันหนึ่งเมื่อบทว่าปฏิทัยะหมายถึงการตั้งอยู่โดยอุปนิสยปัจจัย พึงทราบเนื้อความโดยความเป็นบุพการะกิริยาดังคำว่าสัตว์ทางอุปนิสายะอาศัยศรัทธาแล้วเป็นต้นสมจริงดังพระพุทธดารัสว่ากายกรรมวจีกรรมและการเลี้ยงชีพของภิกษุนั้นหมดจดดีแล้วก่อนแต่เมื่อหมายถึงการตั้งอยู่โดยนิสยปัป จ, จัย พึงทราบเนื้อความของตะวัปัจจัยโดยความเป็นสมานะกาลกิริยาดังคำว่าจักขุจะปฏิจัอาศัยจักขุประสาทใช้ในความหมายสองอย่างคือหนึ่งบุพการกิริยากิริยาที่เกิดขึ้นก่อนกิริยาหลังตามในนี้ ปฏิตัยยะแปลว่าตั้งอยู่แล้วเป็นการตั้งอยู่โดยอุปนิสยาปัจจัยสสมานาการกิริยากิริยาที่เสมอกับกิริยาหลังตามในนี้ปฏิตัยยะแปลว่าตั้งอยู่เป็นการตั้งอยู่โดยนิสยปัจจัยด้วยเหตุนี้ คาถาแรกในคำพีวิสุธทธิมรรคจึงมีคำแปลสองในดังนี้สีเลปฏิท t h y r นโรสปัญโยจิตตังปัญญัจะภาวะยังอาตาปีนิปโกภิกขุโซอีมังวิตเยชะตังภิกษุผู้เป็นคนฉลาดมีความเพียร มีปัญญาอย่างเห็นตั้งอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาอยู่นั้นพึงทางชัดนี้ได้พิสษุผู้เป็นคนฉลาดมีความเพียรมีปัญญาอย่างเห็นตั้งอยู่ในศีลอบรมจิตและปัญญาอยู่นั้นพึงทางชัดนี้ได้ชาวพุทธควรรักษาศีลเสมอ การกล่าวถึงความหมดจดแห่งศีลด้วยภาวนาดังที่อธิบายมาแล้วนี้มุ่งจะปฏิเสธความเข้าใจผิดว่าบุคคลต้องรักษาศีลมาก่อนเป็นเวลานานจึงจัดเจริญภาวนาได้ไม่อาจรักษาศีลในช่วงก่อนการเจริญภาวนาการอธิบายเช่นนี้มีประโยชน์เพื่อไม่ให้คนทั่วไปขาดความสนใจในการภาวนาที่ควรปฏิบัต ไม่ใช่กล่าวไว้โดยไม่ได้เคารพในศีลความจริงแล้วศีลเป็นข้อประพฤติอันประเสริฐในสัตว์เหล่าที่ตกอบายภูมิเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสราว99คนในร้อยคนน่าจะตกนรกเพราะผิดศีลส่วนคนที่ไปเกิดในมนุษยภูมิหรือสวรรค์ก็ไปเกิดด้วยอำนาจของศีลเป็นจำนวนมาก น่าจะเกิดห0สิบคนในร้อยคนแม้ผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลก็มักรักษาศีลมาก่อนเป็นเวลานานผู้ที่บรรลุธรรมได้เหมือนสัน ต, ติอมาตมีเพียงจำนวนน้อยด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงควรรักษาศีลให้เหมือนดังชีวิตของตนอย่าประมาทโดยคิดว่า จะรักษาในการภายหลังเพราะผู้อยู่ด้วยความประมาทมิได้รักษาศีลอาเสียชีวิตกระทันหันแล้วไปเกิดในอบายภูมิได้ผู้ที่ต้องการเจริญภาวนาเพื่อให้บรรลุธรรมในชาตินี้จึงต้องพยายามรักษาศีลมิให้ด่างพร้อยผู้ที่รักษาศีลโดยปกติแล้วก่อนจะเจริญภาวนา ควรสมาทานเบญจศีลหรืออาชิวัตทะมะกศะีลอีกเพื่อให้ศีลเป็นอุปการะต่อสมาธิและปัญญาในขณะที่ปฏิบัติธรรมอันหนึง่งผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมในหลักสูตรอบรมการเจริญวิปัสนาตั้งแต่เจ็ดวันเป็นต้นไปควรตัดความกังวลในครอบครัวหน้าที่การงานแล้วรักษาศีลแปด หรือศีลสิบตามสมควรศีลที่บุคคลสมทานประพฤติดีแล้วย่อมไม่ก่อให้เกิดความร่าเริงใจว่าศีลของเราหมดจดดีและก่อให้เกิดความปราโมดความปีติอินดีความสงบกายสงบใจความปราปรื่มสมนัสความตั้งมั่นแห่งจิต ลยัตถาภูตยานคือปัญญาที่ยังเห็นรูปนามตามความเป็นจริงดังนี้เป็นต้นจบปริเชตที่หนึ่ง